ลำดับที่สมเมื่อวันที่ย9สิสิงหาคมพุทธศักราช2552โดยพระขันจิตคุณวโรผู้ช่วยเจ้าภาวาาวัดยานเวศกวันจังหวัดนครปฐมเอ่อขอเจริญอน เดี๋ยวเรากไ็ได้มาคุยกันต่อในช่วงที่สองในช่วงแรกนั้นได้บอกถึงอารมณ์กรรมาฐานแล้วก็วิธีการฝึกไปแล้วในช่วงที่สองนี้อาตมาอยากจะให้โยมลองฝึกสี่อย่างนี้โยมเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเดี๋ยวจะให้ลองฝึกดูแล้วก็เผื่อว่ามีข้อสงสัยอย่างไรจะได้มาถามหรือว่าจะได้สอบถามซักถามกันอีกทีในประมาณสัก อ่าอีกประมาณสักสิบห้านาทีช่วงหลังนะเพราะฉะนั้นช่วงประมาณสักครึ่งชั่วโมงนี้นะเดี๋ยวอาตมาจะให้โยมลองเคลื่อนไหวดูประมาณสักสิบห้านาทีแล้วจากนั้นให้มานั่งอีกประมาณสักสิบห้านาทีแล้วจากนั้นลองมาสังเกตว่าติดปัญหาอะไรบ้างนะแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นจะแก้ไขอย่างไรนะเดี๋ยวเราจะได้มานั่งคุยกันตรงส่วนนี้ อันนี้เนื่องจากว่าเนื้อที่ของเราเนี่ยตอนนี้มีค่อนข้างจํากัดนะในเรื่องของการเคลื่อนไหวนั้นอาจจะเป็นเพียงแค่การยืนก็ได้นะเป็นอริยาบทเป็นไม่แค่การยืนยืนแลใแนแนนะ้ใช่การขยับแขนแทนนะใช้การขยับแขนแทนนะหรือถ้าใครบอกว่ายืนไม่ถนัดจะลงไปเดินที่บริเวณลานก็ได้นะทั้งสองด้านนะอันนี้อนุญาตนะลงไปไปเดินได้นะไปเดินได้หรือจะที่สนามหญ้าก็ได้แต่สนามหญ้าอาจจะแฉะสักนิดหนึ่ง เอาที่ลานดีกว่าเพราะว่าฝนมันเพิ่งหยุดตกไปใหม่ๆมเมื่อเช้านี้นะสนามมันจะค่อนข้างเปียกจะใช้วิธีการเดินก็ได้หรือถ้าใครรู้สึกว่าเดินมันไม่ถนัดตอนนี้ยืนก่อนแล้วดูในเรื่องของการเคลื่อนไหวหรือถ้าใครจะดูลมหายใจขณะที่ยืนดูลมหายใจก็ได้ได้เหมือนกันมันจะให้เริ่มต้นจากการเคลื่อนไหวหรือการเดินหรือการยืนก่อนทําเสร็จเรียบร้อยแล้วอาตมาจะเคาะระฆัง ไม่ข้อระครังหนึ่งครั้งโยงไม่ต้องรีบนะขณะเดินก็ให้เดินกําหนดกลับมาถึงจุดที่เรานั่งนะเดินมันเดินจงกรมเลยไนะม่ใช่พัเคาะปุ๊บก็เดินอย่างรวดเร็วมาในขณะนั้นก็ใจก็คิดเรื่องอื่นไม่เอานะเราจะรักษาจิตให้เราสงบอยู่กับอารมณ์กรรมาฐานตลอดครึ่งชั่วโมงนี้เดินกลับมาเสร็จเรียบร้อยแล้วในขณะที่นั่งหลงก็ให้กําหนดด้วย ถ้ากําหนดรูปร่างก็ดูรูปร่างของเราในขณะที่กําลังโคง้งงอแล้วก็นั่งลงถ้ากําหนดอาการเกรงตึงหย่อนก็ดูอาการเกรงตึงหย่อนในร่างกายของเราในลําตัวของเราในขณะที่เรากําลังนั่งลงขาเนี่ยมันจะมีอาการเกรงด้วยจะยกแขนยกขาให้รู้สึกไปด้วยถ้าสังเกตลมหายใจดูลมหายใจตลอดหรือถ้าใครดูอาการเคลื่อนไหวดูการเคลื่อนไหวสภาพที่เคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นสี่อย่างนิยมเลือกเอาเลย แต่ให้เลือกเอาแค่อย่างเดียวนะอย่าไปทำหลายอย่างนะเลือกเอาแค่อย่างเดียวเท่านั้นเอาลองดูซิว่าที่อาตมาสอนม า, าตั้งแต่คราวที่แล้วนะครั้งก่อนคราวที่แล้วแล้วก็ครั้งนี้ภาวะอะไรที่ผ่านมาเนี่ยที่ยมสังเกตได้ชัดนะเลือกเอาภาวะนั้นอารมณ์กรรมาฐานเอาแค่อย่างเดียวนะแล้วคราวนี้ลองฝึกดูประมาณสักครึ่งชันะ่วโมงอ่าวลองดูนะเพราะว่าในเรื่องของตัวหลัก เรื่องเรื่องของตัวทฤษฎีเดี๋ยวจะเอาไว้คุยกันต่อในคราวหน้าคราวหน้ามาอาตมาจะให้โยมทำอย่างเนี้ยต่อเนื่องเลยประมาณหนึ่งชั่วโมงคือเดินประมาณสิบห้านาทีมานั่งเดินนั่งแล้วก็จะให้พักจากนั้นก็จะค่อยมาคุยในเรื่องของธรรมะต่อเพราะคราวที่แล้วนั้นได้เล่าให้ฟังถึงเรื่องของบ้างมีองแปดยังไม่ขึ้นถึงตัวกระบวนการในเรื่องของตัวตรัยศิขา จะได้มาคุยกันในเรื่องของรายละเอียดต่างๆรวมไปถึงเรื่องของการทำบุญซึ่งเป็นในในภาคของทฤษฎีแล้วก็ภาคของความรู้ความเข้าใจแต่อยากจะให้โยมได้ฝึกตรงนี้ประกอบไปด้วยเพราะว่ามันสำคัญทั้งสองส่วนมีคำถามตร ง, ตรงไหนไหมกำหนดคนละอย่างได้ไหมถ้ามานั่งโยมจะใช้ลมหายใจหรือว่ายังไงเอ่ยได้ สามารถทำอย่างนั้นได้ได้สามารถใช้อย่างนั้นก็ได้เช่นเดียวกันน ะ, จะเจลิญพออ่ามีคำถามอย่างอื่นไหมเอ่ยถ้าไม่มีคำถามอย่างอื่นถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวเชินโยมปฏิบัติเริ่มปฏิบัติได้เลยน ะ, จะเจริญพออ่าถ้าใครจะเดินก็ลงไปที่ลานนะถ้าไม่งั้นก็ให้ลุกขึ้นเพราะว่าถ้านั่งนานเนี่ยเดี๋ยวขายโยมจะชานะ แล้วถ้าจะใช้การเคลื่อนไหวให้ดูที่แขนทั้งสองนะยมเลือกเอาเลยนะยมจะเดินที่ตรงจุดไหนน ะ, จะเจริญพรแต่ครึ่งชั่วโมงนี้ไปอยู่กันทังถึง 11.45 อย่าไปคิดถึงเรื่องอื่นอยู่กับอารมณ์กรรมฐานเท่านั้นนะอา้าวเจริญพรพร้อมนะ ถ้าใครจะเดินจะเดินที่ลานหรือว่าที่ว่าตรงไหนก็ได้นะหรือไม่ก็ยืนยืนก็สังเกตแขนที่เคลื่อนไหวแทนก็แล้วกันหรือถ้าใครจะสังเกตลมหายใจในขณะยืนก็ได้น ะ, จะเจริญพรอ่เอาจเจริญพรเดี๋ยวเชิญโยมเริ่มปฏิบัติได้เลย